ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาไอ้ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าก็ได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์รักษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบั่งสินสิบบั่งสินแปดบั่ง เป็นนิจจสินผู้ที่ไม่สามารถจะออกปวดได้อย่างนั้นก็ได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมาคำว่าปฏิ ญ, ญาณตนว่าจะไม่นับถือลัทธิอื่นใดทั้งหมด มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้โดยตรงนี่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เท่าที่สังเกตดูบางคนก็ปฏิญญาจนอย่างนี้แล้วกว็มายัง ไปนับถือรัี่อื่นปนเปกันอยู่ก็มีอย่างนี้นะไปนับถือรัทีิบูชายันบวงสวงพสัางนางไม่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรสุดแล้วต่จะสมมุติกันขึ้น ในอย่างนี้การนับถือพระรัตนกรัยไม่ได้จัดว่าเป็นการนับถือโดยถูกต้องเพราะว่าจิตใจมันเป็นสองแง่สองมุมอยู่มันไม่ลงทางเดียวคนเราถ้าความคิดเป็นหลายแง่หลายมุมอยู่นั่นทำอะไรก็ไม่สําเร็จอยู่แต่ทาการงานในโลกภายนอก ก็ลองคิดดูพอทำงานประเภทนี้ไปหน่อยหนึ่งแล้ว อ, อ้าพอคิดถึงงานเรื่องนั้นวางมือจากงานประเภทนี้ไปทำอย่างนั้นเช่นนี้มันจะสำเร็จได้ยังไงอ่ะนั่น เมื่อเราปักใจลงหน้าที่กลางงานอันใดแล้วก็ต้องเอาใจใส่ในกลางงานอันนั้นโดยตรงเพื่อมุ่งหวังให้มันได้รับผลตามเป้าหมายอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจนี่มีดวงเดียว ไม่ใช่หลายดวงความคิดต่างหากมันหลายแง่หลายมุมทีนี้บุคคลที่จะเข้าถึงความจริงได้มันต้องทำใจให้เป็นหนึ่งมันต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วทำใจให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้มันจึงอยากเข้าถึงความจริงได้ เช่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นไปนับถืออะไรต่ออะไรจิ ป, ปาฏฐาอยู่ยนั้นมันเข้าถึงความจริงไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่รับถือนั้นเมื่อพิจารณาโดยเหตุผลแล้วมันไม่มีความจริงอะไรรลถึงมีได้ก็ไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆได้เลย อันนี้มันขึ้นอยู่กับคนผู้มีปัญญาที่จะต้องวินิจฉัยให้รู้ให้เห็นแจ้งกันโดยตนเองอบเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วพุทธศาสนิกชนยังจะไปเข้าใจว่าเป็นที่พึ่งอันอุดมอยู่อย่างนี้นะมันก็ได้ชื่อว่า การนับถือพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นหนึ่งอ่ ะ, อะเป็นสองไปสามไปเรียกว่าล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ง่ายๆผู้ใดมีความคิดเห็นแตกออกเป็นแง่เป็นมุมไปอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้ที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยเร็ว ก็พะมาทำจิตใจนี้ให้เป็นหนึ่งลงไปอย่าให้เป็นสองเป็นสามอันพักคุณทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันย่อมอยู่ที่ความรู้จริงนี่นะนี่ถ้าพูดโดยตรงแล้วเมื่อเรารู้จริงตามเป็นจริงในสังขารทางปวงนั่นแล้วไม่ถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้ พระคุณทั้งสามนั้นก็เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละระคุณทั้งสามนี่แหละทำให้เกิดความรู้จริงขึ้นมาพูดง่ายๆเป็นเพียงนั้นเพราะว่าใจผู้นั้นดิ่งลงต่อพระคุณนี้อย่างเดียวไม่หมุนไปหาที่พึ่งทางอื่นเลยอย่างนี้เพ่งลงไปจนว่า แห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณีลงไปจนใจมันสงบใจมันรวมลงเป็นหนึ่งลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะคุณแล้วนี่นะก็จะบันดาลให้เกิดปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริงความจริงของนามของรูปใครๆก็ย่อมรู้อยู่ ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครถ้าเป็นของตัวของตนจริงๆมันก็บังคับได้มันก็เป็นไปตามใจหวังใครแล้วเกิดมาจะอยากแก่เจ็บตายไม่มีสักคนเดียวมีแต่เกิดมาแล้วก็อยากมีอายุอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดอนันตตการนู่นแหะไม่อยากตายเลยพูง่ายๆวันเดียวไหม แต่แล้วมันได้สมหวังหรือไม่ไม่ได้สมหวังเพราะอะไรเพราะร่างกายสังขารทั้งพวงเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปลี่นแตกดับไปเป็นธรรมดากันเบิกความจริงมันมีอยู่หรเนี่ยเรื่องอะไรเราจะไปอ้อนวอนขอร้องให้สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยเหลือให้ตนคนทุกข์พ้นภัยต่างๆอย่างนี้นะมันไม่ถูกกันเลยอะอไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าน่ะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยเทวดาอินพรหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหรือว่าเทวดาลุคขะเทวดาภูมะเทวดาอะไรที่มนุษย์กราบไหวาาบูชาอยู่เนี่ย หมู่นี้กาล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเพียงจะเสวยผลบุญผลกรรมของตนอยู่เท่านั้นเองใครเกิดอยู่ที่ไหนก็ดีพอหมดเหตุแทงเหตุแทงผลบุญผลกรรมนั้นแล้วก็ตายก็จุติเรียกว่าเคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่อย่างนีแ้แล้วทำไมมนุษย์เราถึงไม่พิจารณาดูบ้างนะ แล้วไปหวังพึ่งของไม่เที่ยงนมันไปได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เอาแล้วเราจะพึ่งอะไรล่ะพึ่งความจริงนนความจริงมีอันเดียวความรู้จริงอย่างเดียวนั่นแ่ะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้รู้แล้วไม่ยึดไม่ถืออะไรต่ออะไรนะ่ะ เมื่อยังไม่รู้ก็เพีจารณาให้มันรู้แย่งแย่ออกดูให้มันเห็นแจ้งประจับในเรื่องนั้นๆในสิ่งนั้นๆอย่างนี้นะเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งแล้วก็สรุปลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่เนี่ยหรือว่าที่ปรากฏเกิดขึ้นมานี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงมีความแปลปกลนแตกดับไปอยู่ยงั้นจึงไม่ควรยึดถือ ถ้าไปยึดถือของไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆก็เพราะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกสงสารอ น, นี้กระทบจิตใจไปยึดร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเมื่อและโลครคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเข้ามาจิตที่อาศัยอยู่นี่ก็ดิ้นโลนกมลกวายร้องหาที่พึ่งที่อาศัยร้องขอให้คนมาช่วยเหลือ ใรต่ออะไรมันกลัวตายกลัวทุกข์กบข้อเหตุนี้เองเนี่ยพระพระธเจ้ายัางตรัสว่าชาติคมเกิดเป็นทุกข์พอเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บ ป, ป่วยไข้มันวิบัติแปรปรวนไปเยอะเนี่ยจิตใจที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้มันถึงหาความสุขไม่ได้ นอกจากเป็นทุกข์เพราะร่างกายวิบัตรแปลปวนแล้วก็มายังเป็นทุกข์กับกิเลสมันเผาร้นเอาอีกด้วยความโลภโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะมันเผาเอาจิตใจนี้จึงได้แล้วร้อนจึงได้เกิดความเสียใจดีใจ เศร้าโศกพ่ไล่ลำพันคับแ้นเหี่ยวแห้งจิตใจเหี่ยวแห้งไม่เบิกบานทั้งหมดนี่ล้วนแต่เป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของจิตใจทั้งนั้นเลย อ, อันนี้ลหละที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้น รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นก็รู้ธรรมของจริงที่มันมีอยู่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เองนะเพราะองค์ไม่ได้สอนให้ไปรู้ความจริงในอดีตอนาคตที่ไหนเนตัณหามันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เช่นความอยากอย่างนี้นะมันก็อาศัยจิตเป็นปัจจุบันนี่แหละคิดขึ้นมา เมื่อมันอยากได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้มันก็คิดมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อได้ตามประสงค์มาก็มาเป็นทุกข์กับการรักษาดูแลเส้นสร้างมาโ ว, ว้กไายเงินทองเข้าของอะไรก็ดี โมนีได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไปยั่งยืนอยู่ได้ถ้าไม่รักษาแล้วยิ่งแล้วใหญ่สูญหายไปโดยประการใดประการหนึ่งคนลักคนแย่งเอาไปหรือว่าเสียหายไปโดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะความไม่ดูแลรักษาโมนี่ก็ลองคิดดูสิ การไอตันหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นระย ะ, ะยะไปเวลาแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอยู่นั่นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วได้เงินทองเข้าของมาแล้วมาเป็นทุกข์กับการรักษาวันนี้เมื่อเวลารู้ว่าตนจะได้พัดภาาจากมันหรือว่ารู้ว่าสิ่งอหไรนะั้นมันพัดภาาจากตนไปอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจ ที่ไล้ลำพันธ์ต่างๆ น, น, นานาเนี่ยที่ว่าตัณหาเป็นนี่ได้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นน่ยแล้วเมื่อมันอยากได้อะไรมันไม่ได้สมหวังมันก็ยึดถือไว้อืยึดความอยากนั้นเหลไว้เอาแสวงหาอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่ได้ในชาตินี้ เอามันก็ยึดถือความยึดถือนั้นเป็นตัวกรรมนําให้ไปเกิดในชาติหน้าต่อไปอีกเกิดไปชาติหน้าก็ไปอยากได้ของสิ่งนั้นแหละก็อุปาทานนะมันยึดถือไว้แต่ชาตินี้แล้วก็ไปสแสวงหาของสิ่งนั้นอีกอย่างนี้แหละอย่างสร้อยคอเ อ, อต้มหูแหวนเพชรอะไรหมดนี่นะ ทั้งที่รู้เห็นอยู่หรือหนังสือพิมพ์เขาก็ลงอยู่บางทีก็ถูกโจรขโมยมันจี้เอารอกคาบเอาหมดเลยของเครื่องประดับต่งตางๆโมนั้นถ้าไปคไดใดไปขัดขืนต่อสู้เขาก็ฆ่าตายงานโมนี้ลองคิดดูสิแต่ภาั้นมนุษย์เรายังประดับประดา อวดกันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่ภัยอันตรายมีอยู่รอบด้านนี่แหละเรื่องของตันหานะ่ะมันเมื่อบุคคลใดตกเป็นทาสของตันหาแล้วมันก็ทําให้ไม่กลัวล้มกลัวตายไม่กลัวความทุกข์อะไรเลยไม่กลัวภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้น ชอบแต่อยาจาเกาไปอวดกันว่าข้าก็มีเงินเหมือนกันอืมข้าก็มีเงินมีทองสามารถซื้อเครื่องประดับต่างๆได้นิยมอวดกันแข่งกันอย่างนั้นแล้วมันไม่เฉลียวนึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนไปรักเครื่องประดับนันยิ่งกว่าชีวิตของตัวเอง เป็นอย่างนี้แหละคนเรานะ่ะแม้ของสิ่งน่นก็เหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องประดับนี่แหละเป็นภัยต่อร่างกายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นผู้เป็นชาวพุทธแล้วจึงไม่ควรที่จะประดับประดาอะไรต่ออะไรรักษาชีวิตของตนไว้สำหรับสั่งสมบุญกุศลดีกว่า เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นมีดีอะไรขึ้นมาสักหน่อยเดียวประดับประดาไปก็แค่นั้นเนี่ยไม่เห็นว่ามันดีอะไรไอ้ความดีที่จริงแล้วมันอยู่ที่ความเป็นผู้มีใจเป็นธรรมใจตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลเมื่อใจตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นฝ่ายกุศลแล้ว การแสดงออก ซ, ซึ่งกายซึ่งวาจาล้วนแต่ละมุนละไมอ่อนโยนเป็นสังหาราศีเป็นสิรินำให้คนผู้ที่ได้คบคบหาสมาคมยินดีพอใจกับความระบพติของผู้นั้นผู้นั้นแหละท่านว่าเป็นคนงามในพุทธศาสนานี้ คืองามด้วยมารยาทใจก็งามกายวาจาก็งามออความประพฤติเรียบร้อยดีอันนี้ท่านเรียกว่าคนงามในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องเครื่องประดับภายนอกอ น, นั้นว่าเป็นคนเป็นเป็นความเป็นคนงาม พระองค์เจ้าทรงตรัสว่าสีละคันโทอนุตรโรสินนั้นมีกลิ่นอันหอมหวนทวนลมได้กลิ่นดอกไม้กิศดากละลพักต่างต่างหมู่นั้นมันหอมทวนลมไปไม่ได้เลยมีแต่มันไปตามลม ส่วนกลิ่นสินนี่หอมทวนลมไปได้ทุกเมื่อทุกแห่งทุกคนหมายความว่าผู้มีสินแล้วจะไปโยใต้ลมหรือเหนือลมอย่างนี้มันก็มีกลิ่นหอมมีคนชื่นชมยินดีกับความประพฤติของผู้นั้นมันเป็นอย่างนั้น เรียกว่าผู้มีศีลแล้วย่อมอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยอย่างพระทุดงอย่างนี้แหละเพื่อนเป็นผู้มีศีลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่อิจฉาเวียดเวียนใครมีใจประกอบด้วยเมตตาการุณาอันเที่ยวไปในป่าในเขาในถรร้ม ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรังแกไม่มีใครเบียดเบียนก็เพราะท่านไม่เบียดเบียนใครนะใครจะไปเบียดเบียนท่านเมื่อใครไปหาก็ต้อนรับกับสู้ด้วยดีกล่าวว่าจะไพเราะอ่อนหวานแม้ว่าคนที่จะไปหามาสู่นั่นจะมีกิริยาหยาบโลนโยบัางอย่างนี้ ก็ไม่ถือสาหาความพูดง่ายๆว่าเมื่อเขาพูดคำหยาบมาแล้วก็พูดคำอ่อนโยนต่อไปตอบแทนกันอย่างนี้เป็นพระนี่ต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลอยู่ในใจเสมอ ถ้าไปรู้อำนาจแก่ความโลภโคมโกรธความหลงแล้วก็อย่างว่าเมื่อได้สังคมกับคนที่มีจัรญามรารยาทไม่ดีบ้างก็คอยเป็นไปกับเขาเขาแสดงมารยาทอันไม่ดีอะไรต่อมากับฉุนชฉีวมักก็บพูดํำหยาบโลนท่างานานาตอบโต้เขาไวห้ามใจตัวเองก็ไม่ได้ ฉันเบื่อเป็นเช่นนี้มันก็เต็มไปด้วยภัยแหละผู้อยู่ป่าเป็นอย่างนั้นแม้อยู่บ้านก็ตามนะอยู่ในบ้านก็ตามเมื่อไปสำรวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยอย่างนี้มันก็มีภัยอยู่รอบลานเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงกล่าวว่า พระอริยบุคคลนั่นไม่เป็นภัยต่อสังคมในโลกนี้เลยท่านจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นภยัยเพราะท่านเป็นผู้บริ ส, สุทธิ์จากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม้จะประสบกับเหตุที่ควรจะให้ละสินท่านก็ไม่ยอม แม้ชีวิตจะแตกดับทาลายไปก็ไม่ยอมไม่ยอมเสียสินเหมือนอย่างพระเถระองค์หนึ่งจะข้างพุทธการท่านก็สำเร็จอรหันแล้ววันนี้ก็มีครอบครัวของช่างจารณัเจรแก้วครอบครัวหนึ่งเรื่อมใสนับถือได้นิมนต์ท่านไปฉันปตาหารในบ้านทุกวันทุกวัน ท่านก็รับสนองศรัทธาของเขาจะเข้าใจว่าหนายคนนั้นคงจะไม่ได้ฟังทมไม่ได้ศึกษาใ่ถามธรรมะคําสอนอะไรกับท่านแต่เพียงแต่นิมนต์ไปฉันพระตาหารท่านในร้ายพนแล้วก็ทั้งกับไปคงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> อยู่มาวันหนึ่ง ทางพระราชาวางังแจ้าหน้าที่ธรรมราชาวังเอาแก้วของพระราชามาให้ลูกหนึ่งเพื่อมาให้เจรไนให้ในขณะนั้นพ่อบ้านคนนั้นเนี่ยกําลังเชื้อดเนื้ออยู่บนเขียงจะทําอาหารเลือดมันก็ติดไปติดมือเจ้าหน้าที่เขายื่นของให้กดรับเอาทั้งมือเพื่อนเพือนนั้นแหะ วันนี้รับเอาแก้วนั้นแล้วแก้วมันก็ติดเลือดแดงล่าแล้วก็วางไว้ข้างๆนันตัวเองก็ทำงานเรื่อยไปในบ้านนั้นมีนกกระเรียนตัวหนึ่งเลี้ยงไว้นกกระเรียนตัวนั้นมันเดินมามันเห็นเขามันนึกว่าเป็นก้อนเนื้อมันก็คาบเอากลืนลงไปในท้องในทุกพ่อบ้า น, น, นก็ไม่เห็น ไม่เห็นนกกรเรียนตัวนั้นมันกืนแก้วเข้าไปพอเสร็จธุระหันเนืองวงเฮียจะมาเอาแก้วนั้นไปล้างน้ำอะไรทำความสะอาดไม่เห็นเลยเพอไม่เห็นอย่างนี้ก็ถามเฮียถามลูกเมียก็บอกว่าไม่ไม่ได้เอาเลยไม่ไม่ได้ไปหยิบไปต้องเลยกวันนี็ไปถามพระที่ท่านนั่งอยู่ห้องระเบียงเรือนที่ต้อนรับ ท่นนั้นท่านก็บอกท่านเห็นอยู่เห็นนกกระเรียนตัวนั้นนะ่ะมันฆ่าออกแก้วแล้วกลืนเข้าไปในท้องท่านก็ไม่บอกอืมท่านไม่บอกไอ้เจ้าของบ้านเลยเพราะว่าถ้าบอกเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็ฆ่านกตัวนั้นชำแหละท้องเอาแก้วออกมามท่านก็ บอกแต่เพียงว่าทมาไม่ได้เอาเพราะนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านก็มานึกทบทวนดูแล้วว่าไม่มีใครมาในบ้านเนี่มีแต่พระองค์เดียวเนี่ยมาแต่คนในบ้านเช้นลูกเมียเ ข, เขาก็ปฏิ ญ, ญาณแล้วว่าไม่มีใครหยิบเอาไปไว้เลยถามยังไงท่านก็บอกว่าไม่ได้เอาก็ เ, าเอาเชือกมาพันศีรษะท่านแล้วก็ขันสนอเข้าไป เพื่อจะให้ท่านรับว่าท่านได้เอาแต่ท่านก็ไม่รับท่านแมล่าก็ขันในแน่นเข้าจนว่าเลือดออกทางหูทางจมูกตาท่านเล่นออกมาเลือดตกลงไปสู่เพื่อนนกกเรียนตัวนั้นก็วิ่งมากินเลือดในขณะนั้นหอบ้านคนนั้นยกเท้าจะดเตะพระองค์นั้นพนดี้ไปถูกนกกเรียน ตัวนั้นตายเลยวะนี่พระเถระองค์นั้นท่านจึงบอกว่าอ่ะโยมให้คายเชือกออกจากศรีรษะของอัตมานี้เสียอัตมาจะบอกให้แก้วนั้นอยู่ในท้องของนกกระเรียนตัวนั้นนกกระเรียนตัวนั้นนกินแต่ก่อนนี้อัตมาเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าถ้าบอกแล้วโยอมก็จะไปฆ่านกตัวนั้น อาตมาทำไม่ได้โอวาอพ่อว้านคนนั้นได้ยินอย่างนั้นก็ไปสำแหลท้องนกกระเรียนตัวนั้นออกก็เห็นแก้วอยู่ในนั้นก็มาก้มกราบขอโทษขอภัยกับท่านอย่างไรกับผมได้ร่วงเกินได้เห็นผิดไปแล้ว พราอว่าคุณเจ้าได้อโหาสิกรรมให้ด้วยท่านก็อโหาสิกรรมให้ท่านไม่เอากำผูกกรำผูกเว้นอะไรเลยแล้วท่านก็กลับไปที่พักของท่านท่านก็เข้าสู่นิพพานไปเลยอืมอุบาสกนั้นเสียใจเสียใจอย่างแรงวันนี้พรคิด ว่าตนได้ไปเบียดเบียนพระอาราหันต์ผู้บริสุทธิ์ด้วยเจตนาเป็นอกุศลเรานี่คงมีบาปแน่นอนบาปต้องหนักแน่ก็คิดไมเนี่กลุ้มใจหลายอยู่มาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็าตายส่วนนุกเกเรียนตัวนั้นตายแล้วก็ไปเข้าท้องเมียวันนี้ คลอดออกมาเป็นคนแบบ น, นี้นะ่ะอยู่มาเมียนั่นตายแล้วไปสวรรค์อ่อย่างนี้แหละคนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งไปสวรรค์ไอ้อย่างนี้ท่านเรียกว่าความประมาทในธรรมครสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้เลื่อมใสนับถือพระถึงพระนั้นน่ะ แทนที่จะศึกษาใจถามว่าสิ่งใดที่เป็นบุญสิ่งใดที่เป็นบาปขอพระคุณเจ้าจงแนะ น, นำสั่งสอนบ้างไม่เลยล่ะท่าคงเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมดาพราะนี้ถ้าใครไม่อรัตนาท่านก็ไม่สอนเพราะว่าเมื่อไปสอนคนที่เขาไม่พอใจจะฟังเขาก็ประมาทเอาก็เป็นบาปกราเป๋าดังนั้นท่านจึงไม่สอน แล้วพ่อบางคนนั้นก็ไม่สนใจในธรรมะเลยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรหนานเนี่ไปด้วยกี้เล็เพราะนั้นจึงได้ทำกรรมชั่วใส่ตัวเองอันไปฆ่าพระอาราหันต์อย่างนั้นน่ะมันก็มีอาวุจีหม า, หารนรกน่นเป็นที่ไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดที่ได้ศรัทธาเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วมาศึกษาสดับตร์ับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าในให้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติแลลงมือปฏิบัติตามไปกิเลสบาปรธรรมอันมีอยู่ในหัวใจมาแต่ก่อนมันก็เบาวางลงไปมันเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ มันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสบาปธรรมอยู่ในหัวใจของคนเราให้บอวางไปถ้าคนเรานั้นไม่มีกิเลสบาปธรรมอยู่ในหัวใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เลยพระองค์ก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้คนเราละความชั่วทำความดี สำลักจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปประธรรมนี่อย่างนี่ยฟังพิจารณาดูคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเหตุที่พระ อ, องค์เจ้าสอนให้ละบาปบําเพ็ญบุญนะก็พระ อ, องค์รู้แล้วว่าในหัวใจของคนธรรมดาสามัญ น, นี่นะ่ะมันมีกิเลสบาปธรรมอยู่ในหัวใจนั้นมันมีเชื้อของบาปเชื้อของบุญก็มีอยู่ในนั้น เชื้อของบาปก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเมื่อบุคคลใดไม่บรรเทากิเลสเหล่านั้นไอบาบางออกไปแล้วกิเลสเหล่านั้นแหละดนจิตดนใจให้ทำบาปให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมือสามารถดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่เนี่ย อาใช้กิเลสสามกองนั่ น, นเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปโดยมันสะดุ้งหวาดกลัวกิเลสนั่นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนคนอะไรยกจิตใจตัวเองขึ้นสู่กุศลทำไม่ได้ก็จะเป็นต้องได้ไปทำบาปทำกรรมไปตามอานาจของกิเลสนั่น แต่ที่กิเลสมันจะมีอำนาจเหนือจิตใจคนก็เพราะว่าจิตใจเขาคนนี่แหละสร้างมันขึ้นมาก่อนไม่ใช่ว่ามันเกิดเองกิเลสเหล่านีนะ้ไม่ใช่จิตนี่แหละอย่างมันคิดอยากจะได้ของผืนว่าเป็นของตนอย่างนี้นะแล้วก็ลงมือพยายามไปถ้าไม่อยากจะรักก็ หาวิธีช่อโกงหลอกลวงเอาถ้าไม่มีช่องทางนั้นก็ลักเอาหรือไมามีช่องทางลักได้อย่างนี้ก็สะสมอาวุธขึ้นมาไปจี้ปล้นเอาใครขัดขืนก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ให้ตายซะแล้วขนของเขาลงใส่รถแล้วบึ้งหนีไปอย่างนี้แหละ บุคคลผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภมันก็เป็นอย่างนั้นแหะที่มันกับความโกรธกับผสมลงกันเข้านั่นแหละถ้าหากว่าใจมันมีเมตตาอาริอยู่มันฆ่าคนไม่ได้หรอกมันไปแย่งชิงเอาสมบัติของคนอื่นไม่ได้เพราะใจขนาดนั้นมันไม่มีเมตตากรุณาธรรมเลยมีแต่ความอยากได้ลูกเดียวมีแต่ความเอามาหิดใจใจ ไม่เอ็นดูสงสารตายแล้วสร้างมัน่นว่าแต่เราได้ของสิ่งที่เราต้องการในได้สมประสง์แล้วก็พอแล้วนี่แหละเชื้อของบาปให้พากันรู้เข้าใจพิจารณาทีนี้เชื้อของบุญก็กลงกันข้ามนั่นเองความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงอันนี้เป็นเชื้อของบุญ เพราะว่าเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วได้อะไรมาก็ต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนให้แก่บุคคลที่ควรให้ควรบูชาเช่นบูชาแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่ต้นมารดาบิดาเลี้ยงมารดาบิดามที่ท่านเท่าแก่ชราให้อยู่เย็นเป็นทุกขเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นทุกข์ูนี้นะ ก่อนรับแขกที่ไปมาหาสูรพระศาสดาทรงสอนไว้เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วนะสุดท้ายก็บริจาคทานในสมณครามผู้ประพฤติชอบนอกจากนั้นก็ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปซึ่งเป็นญาติเสรจมีมารดาบิดาเป็นต้นเหล่านี้นะ บคคลผกระทำกรรมเหล่านี้ลงไปแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่โลภเป็นผู้ไม่ตณีไม่หวงแหนในทัพสมบัติหามาได้แล้วกแบ่งสรรันส่วนใช้จ่ายทรัพสมบัตินั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างนี้นะนั่นแหละความไม่โลภท่าจึงว่าเป็นเหตุให้บริจาคทานความไม่โกรธไม่พยาบาทเป็นเหตุให มีศีลจริงนะคนมีศีล น, นี่มันต้องไม่โกรธต้องประกอบไปไม่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามีความปรารถนาให้ตนเองแนละบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันอยู่เสมอเช่นนั้นจึงมีศีลได้เป็นผู้ ม, มีความโกรธเพราะมีคุณธรรมมีเมตตาเป็นต้นอยู่ในใจ แล้วก็มีหิริโอตปะธรรมมีความละอายในการจะทำความชั่วโดยฐานที่เราเป็นมนุษย์มีความกลัวต่อกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วมันก็รักษาสินในบริสุทธิ์ได้คนเราน่เป็นงั้นความไม่หลงเป็นเหตุให้ภาวนาไอ้ผู้ที่จะไม่หลง ก็เพราะว่าสนใจในการระดับรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆหรือศึกษาเรียนท่องบนจดจำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อบุคคลมารู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือทําได้รู้จักว่าโอทานนี่มีผลดีจริง พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเหตุแสดงผลของทานในอย่างนี้อย่างนี้มันก็เต็มใจทําบุญบริจาคทานพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องศีลว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของจิตใจของบุคคลผู้รักษา น, นมากมายจริงให้บุญบรรลุถึงสวรรค์บรรลุถึงพริยานเป็นขั้งสุดท้ายก็เพราะศีล น, นี่แหละ พิจารณาเห็นอย่างนี้นะมัก็รักษาศินได้นี่แหละเพราะมันไม่หลงนั่นแหละมันรู้มันรู้เหตุผลมันรู้เหตุผลของศิลว่าสิลนี่มีเหตุผลดีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าศินนั่นมีเหตุผลไม่ดีดีเลยทีเดียวอืมแต่มันต้องเห็นด้วยปัญญาของตัวเองเป็นปย่างั้น เนี่ยเมื่อเมื่อได้ให้ทานได้รักษาศีลได้กุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นเจริญขึ้นในจิตใจความไม่หลงเป็นเหตุใต้ภาวนานี่ก็หมายความว่าความไม่หลงคือเป็นเหตุที่ให้เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ผู้ใดทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอะไรจะมาโดนบันดาลให้คนเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีนี่เรียกว่าคนไม่หลงนะไม่หลงคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ใช่หนทางคนทุกข์เราก็ไม่หลงไหลไปตามทางผิดนั้น ทรงสอนให้เชื่อกระต่อการกระทาของตัวเองเมื่อตนเพียรพยายามชำระกิเลสคือความโลภโกรธหลงนี่ออกจากกิจใจนี่ไปให้บาวางไปได้เท่าไรตนก็ย่อมมีความสุขได้เท่านั้นมเมื่อตนละอาชาวากิเลสเหล่านี้ด้วยข้อปฏิบัติอันนี้ให้หมดสิ้นไปได้โดยประการทั้งปวงหนะ่ะ ตนก็พ้นทุกได้โดยเด็ดขาดเราต้องมาเชื่อลงอย่างนี้นะชาวพุทธทั้งหลายนะต้องเห็นลงอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> ได้ชื่อว่าดำเนินทางที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมจริงๆท่านเรียก ว, ว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิแปลว่าผู้มีปัญญาเห็นชอบ <c oughs> ถ้าเป็นปัญญาชั้นสูงก็หมายถึงเห็นอริยสัจจะทมทั้งซีถ้าเป็นปัญญาชัดกลางก็อย่างว่านอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็ไม่หลงไหลไปตามลทัทธิต่างๆเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อเมื่อตนเชื่อลงไปนี้ตนไออันใดเป็นกรรมที่ชั่วตนก็เพียนล่ามันออกไป เพียนละกรรมอันชั่วนั้นออกไปให้มันหมดไปเรารู้ว่ากรรมนี้เป็นกรรมดีเป็นกุศลเราก็เพียนพยายามบำเพ็ญกุศลนั้นให้เกิดให้เจริญขึ้นในตนมเมื่อบุญกุศลเจริญขึ้นในตนได้อย่างนี้ตนก็รู้เองเห็นเองนะไม่ใช่ว่าบุญกุศลเกิดขึ้นในใจจะไม่รู้นะ จะคอยให้แต่ผู้อื่นนั้นมาพยากรณ์ให้ไม่ใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าบุญกุศลยังไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นเราภาวนาเพ่งจิตลงไปทำจิตให้สงบลงเป็นหนึ่งแล้วอย่างนี้นะมันก็มองเห็นได้ที่แบนี้ กุศลแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดนี่ก็ น, นึกได้ว่าอ๋อเราฉลาดเรามีปัญญาเราจึงละความโลภความโกรธความหลงได้ใจเราจึงสงบลงเป็นหนึ่งลงอย่างนี้ถ้าเราไม่ฉลาดเราไม่มีอบายฝึกใจนี่มันก็นละกิเลสเหล่านั้นไม่ได้ จิตใจก็ฟุ้งซ่านเลื่อน้อยสงบลงไม่ได้เลยมันก็รู้ชาติอย่างนี้เนี่ยเพราะกุศล น, นี่ไม่ใช่ว่าเป็นรูปร่างเป็นตัวตนอะไรนะอืมเมื่อแปลเป็นภาษาไทยออกมาแล้วท่านหมายเอาความฉลาดของดวงขิดดวงนี้นะนั่นแหละเมื่อจิตนี่ฉลาดรู้จักละเว้นจากกรรมมันชั่วทําแต่กรรมที่ดีๆให้เกิดมีขึ้นในตอนอย่างเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลทำตลอดไปนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเนืออีกในหนึ่งท่านก็ว่ากุศลแปลว่าตัดคือตัดความโลภออกไปจากคิดใจด้วยการให้ทานตัดความโกรธออกไปจากคิดใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ด้วยการเจริญเมตตาเพื่อแผ่แกสัตว์ทั้งหลายเราทำบุญกุศลอะไรก็อุทิศส่วนกุศลให้แกผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยให้แกสัพสัตว์ทั้งหลายด้วยทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเนี่ยเนี่ยว่าผู้บำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วนะมันตัดความโกรธออกไปได้อย่างนี้ ยอมให้เอาภัยแก่บุคคลอื่นและตัดอื่นที่มาเบียดเบียนต้นไม่เบียดเบียนตอบให้อภัยไปเลยแม้ว่าจะตายก็ช่างเหมือนอย่างยกเรื่องราวพระเถระองค์นั้นมาพูดให้ฟังนั่นแหละนั่นที่เอามาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อประกอบธรร ม, มะอย่างที่ว่านี่นะพระเถระองค์นั้นท่านมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ในใจ ดังนั้นท่านจึงไม่ปรารถนาให้ผู้ใดเป็นทุกข์เกิดร้อนเลยอ่าท่านเป็นทุกข์เดือดร้อนผู้เดียวไม่เป็นไรเพราะว่าท่านปรงขันห้าวางขันห้าหมดแล้วเขาทุบเขาตีเขาทขาร้ายเขาก็ทาแต่ขันห้านี่จิตใจของท่านจะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับขันห้านี้เลยออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยอมบอก ช่างแก้วว่านกกระเรียนกินแก้วรูปนั้นลงไปเขาไม่ต้องการอย่างให้ในายช่างเจริในแก้วนั้นฆ่านกกระเรียนตัวนั้นนี่เพราะท่านตัดความโกรธความมัจบาตออกไปโดยเด็ดขาดไปได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้ผู้ที่ตัดยังไม่ขาดนั่นะนะถ้าเมื่อมีเหตุจําเป็นอย่างนั้นมาถึงเข้าแล้วมันทนไม่ไหว มันยอมเสียสินไปนี่เรียกว่าผู้ยังตัดไม่ขาดอันนี้นะตัดความหลงด้วยการภาวนานั่นเลยเมื่อภาวนาทำใจสงบลงไปโดยอุบายวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั่นแหละ โดยเฉพาะเรื่องการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันเป็นอุบายวิธีที่ทำใจให้สงบจัางลวบรัอืมไม่อ้อมค้อมแต่ว่าต้องมีสติเข้มแข็งนะต้องมีกำลังเข้มแข็งต้องอาศัยความเพ่งเนี่ยการกำหนด รู้ลมหายใจเข้าออกนี่นะถ้าไม่เข้มแข็งแล้วมันก็อย่างว่านั่นเดี๋ยวมันก็ลืมลมหายใจอีกแล้วดังนั้นต้องทําใจเข้มแข็งต้องมีสติแก่กล้าแม้ว่าจะเกิดปวนปั่นอะไรขึ้นในร่างกายสังขารถ้าไม่ระวิสัยยังกิงก็ไม่หวั่นไหวมัน ไม่ขยับขยื่นเรียกว่าพยายามบังคับร่างกายให้ให้นิ่งพร้อมกับเพ่งอยู่ภายในอย่างนี้แหละเมื่อทำให้เข้มแข็งอยู่อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็รวมลงได้เร็วกว่านี้นะมันก็ละอารมณ์ภายนอกต่างๆได้ง่ายอืม แต่ถ้าผู้ที่ทําอย่างนี้มันจิตลงไม่ได้อย่างนี้แล้าเพื่ อ, เ, อเพ่งกรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นอารมณ์ให้จิตนั้นมันไปติดอยู่กับกรรมฐานอันนั้นซะก่อนอื<ม>อย่างเช่นเพ่งกระดูกเป็นอารมณ์อย่างนี้นะเพ่งดูแต่กระดูกนั้นจิตก็ไปรู้อยู่แต่กระดูกนั้นมันก็ไม่พุ่งไปทางอื่นเลยวะนี้ออ มันดูอยู่แต่กระดูกนั่นเอาไปเอามามันก็รวมลงได้เพราะว่ามันไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอกไปแล้วมีแต่เพ่งดูกระดูกอย่างเดียวอยู่ท่านเมื่อเพ่งดูไปมามันก็รู้สิอือคนเราได้ตายลงไปแล้วไปเผาเราก็เหลือแต่กระดูกเท่านี้เนาะไม่เห็นมีแก่นสารอะไรเลยอย่างนี้นะ มันวิจารเรื่องกระดูกเท่านั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วเมื่อหน่ายรูปน้ำอันนี้นะเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยินดียินร้ายลงมันก็โปร่งก็วางลงนั่นแหละจิตใจมันก็จะรวมลงได้แบบนี้นะสัญญาเรื่องเพ่งกระดูกมันก็ดับเมื่อสัญญาอันนั้นดับเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวกับสติ นั่นแหละความรู้อันนั้นแหละคือจิตเมื่อหลังจากที่พิจารณาสิ่งที่ทําให้จิตเกาะทําให้จิตคล้องผัวพันอยู่หมู่นั้นเห็นแจ้งพระจักแล้วว่าไม่ควรเกาะไม่ควรคล้องเพราะมันเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้นั่นแหละมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็โปรงก็วาง จิตมันถึงรวมลงได้มันจังเหลือแต่ความรู้อันเดียวนั่นแหละเป็นลักษณะของจิตความรู้อันนั้นน่ะความรู้อันนั้นมันก็มีสติประคองอยู่ด้วยทีนี่นะเมื่อก่อนเมื่อเรายังไม่ได้เจริญกรรมาฐานอย่างนั้นสติมันไม่ไม่ค่อยจะกกำกับอยู่กับจิตใจเท่าไรนักเข้าเข้าออกออ ก, อ, อ, กอยู่เพราะปานแหละ เดี๋ยวก็ระลึกไปทางโน้นเดียวก็ระลึกไปทางนี้เดียวก บ, บางทีก็ระลึกเข้ามาหาจิตท่ากายนอนหนึ่งนะก็ร ะ, ะลึกไปทางอื่นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไม่ได้ทำสมาธิภาวนาจิตใจนั้นจึงสงบลงละเอียดละออไม่ได้ว่าอย่างนั้นก็หมายความว่ามีสติควบคุมจิตมาให้มันคิดไปทางบาปอกุศลเท่านั้นแหละอืา เมื่ออยู่ตามธรรมดานะอย่างนี้แต่ถ้าเราได้นั่งสมาธิเพ่งกรรมฐานเข้าไปอย่างที่ว่านี่ น, นั่นแหละจิตมันจะไม่มีโอกาสได้คิดพุ่งไปทางอื่นมันก็จะรวมตัวลงเป็นหนึ่งลงไปอย่างที่ว่านั่นแหละสัญญาอารมณ์ที่เพ่งที่มุนนั้นมันก็ดับตรงหมด เหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันในขณะนั้นลมหายใจเข้าออกก็ละเอียดลงไปไม่อยาเหมือนแต่ทีแรกอันนี้แหละเรียกว่ารเราภาวนาตัดความหลงออกจากคิดใจ ความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขานี่นะนั่นเมื่อจิตมันรวมลงลนั้นเพ่งดูแล้วอะไรก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวนั่นแหละบนันี้ไอ้ที่มีตกวิจารกันหรือว่าถกเถียงกันมากวนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนอะไรโมนี่นะ สำหรับผู้ภาวนาทำใจให้รวมลงไปแล้วย่อมไม่สงสัยเลยนรกก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเมื่อใจประมาทปล่อยให้กิเลสมันเผาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วนั่นแหละนรกสร้างกำลังสร้างนรกขึ้นนะสวรรค์ก็คือทำใจให้เบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยผู้สนคุณงามความดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรทำใจสงบอยู่อย่างนั้นนะ อนั่นนท่านเรียก ว, ว่าสวรรค์นะสวรรค์แปลว่าสถานที่เลิศนี่เรามาทําดวงจิตนี่ให้มันเลิศมันสะอาดปลอดโปร่งเราผมก็เป็นสวรรค์สินั่นแนะ่ะเป็นสถานที่เลิศอย่างว่นั้น น, นะพระนิพพานอ่ะพระนิพพานก็อาศัยความสงบนี่หนละเป็นกําลังแล้วใช้ปัญญาพิจารณาสอนจิตนี่ให้ละอุปท า, านไปเรื่อยๆไป เพราะว่าละอุปทานอย่างหยาบได้แล้วผันยังยา ง, งกลางละอย่างกลางได้แล้วผันยังอยางละเอียดเนี่ยมันต้องตามซักตามฟอกกันอยู่อย่างนั้นปัญญาเนี่ยเอาไปเอามาแล้วมันก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยไอ้ความยึดถือต่างๆมันหมดเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ลงก็วางลงได้ดังแสดงมา